เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเมตตากรุณาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,552 เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลา ที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจด้วยการมาวัดเพื่อมาเติมแสงสว่างให้แก่ชีวิตชีวิตของพวกเรานั้นยังอยู่เหมือนคนที่ยังเดินอยู่ในที่มืดอยู่ถ้าไม่มีแสงสว่างส่องทางจะมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรอยู่บ้างดีหรือชั่ว ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายเราจึงต้องมีแสงสว่างเหมือนกับเรามีแสงสว่างในยามค่ำคืนเวลาเราออกไปนอกบ้านถ้าเราไปเดินตามสถานที่ไม่มีแสงสว่างเราก็ต้องมีไฟฉายมีเทียนไว้คอยส่องทาง ชั้นใดชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของเรานี้ถูกความมืดบอดของอวิชชาความไม่รู้จริงของโมหะความหลงครอบงำจิตใจของเราเราจึงไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จเราจึงต้องมีแสงสว่างเพราะเมื่อมีแสงสว่างแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆในขณะนี้ในเวลากลางวันเรามีแสงสว่างแห่งของพระอาทิตย์เราจึงรู้ว่ามีอะไรอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าเป็นเวลาค่าคืนถ้าไม่มีแสงไยแล้วเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใจของเราก็เป็นอย่างนั้น ใจของเรานี้อยู่ในสภาพของความมืดอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราอยู่ในที่มืดกันและสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นแท้จริงแล้วเขาหาได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยถ้าเรามีแสงสว่างมา มาส่องให้เห็นสิ่งต่างๆเราจะตกใจเราจะรู้ว่าลอง น, นี่หลงมาเป็นเวลาอันยาวนานและความหลงนี่เองที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องกังวลต้องหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าทุกข์น่ากังวลน่าหวาดกลัวแต่อย่างใดเลยแต่เนื่องจาก เรามีความหลงนั่นเองเห็นกับตาละปัดมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นความจริงที่เห็นไม่ได้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงเราจรึงต้องอาศัยแสงสวา่างคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงนี้มาเป็นเครื่องส่องทาง มาเป็นแสงสว่างส่องทางและสัมมาทิฏฐินี้ก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิของพระบรมศาสดาเท่านั้นคือพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีพระปัญญาพอที่จะแยกแยะพอที่จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง ได้อย่างแท้จริงมีเพียงบุคคลเดียวในโลกนี้เท่านั้นนอกนั้นแล้วล้วนเป็นบุคคลที่ยังตกอยู่ภายใต้ของอำนาจความมืดบอดของความหลงของมิจฉาทิฐิของความเห็นผิดเป็นชอบทางนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นการตัดสู้ของพระพุทธเจ้านี้ก็คือการที่ได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมนี้เอง ที่จะสามารถทำให้เห็นสิ่ ง, งต่างๆเป็นไปตามที่เขาเป็นเราต้องอาศัยแสงสว่างของพระพุทธเจ้ามานำทางเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความหวาด ก, กลัวหลุดพ้นจากความกังวลหลุดพ้นจากความวุ่นวายใจ หลุดพ้นจากความทุกข์ใจทั้งหลายไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นไปแล้วและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้น้อมนำเอาแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้มาเป็ น, เ ป, นเป็นผู้นำทางทำให้พาให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุก เช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าพวกเราผู้ที่ยังอยู่ในความมืดอยู่เราก็สามารถน้อมเอาแสงสว่างแห่งทางนี้มาเป็นผู้นำทางให้แก่ชีวิตของเราได้เพื่อที่จะพาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวาย ความกังวลความหวาดกลัวต่างๆได้อยู่ที่เราต้องน้อมนำเอาเข้ามาสู่ใจของเราแสงสว่างของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีลิขิตไม่ได้หวงห้ามถึงแม้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จดับขันธะ์ปาินิพพานไปแล้วเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่แสงสว่างนี้ ยังเป็นแสงสว่างที่จะมอบให้กับทุกๆคนที่มีศรัทธาความเชื่อที่มีฉันทะความยินดีที่จะน้อมนำเอาเข้ามาเป็นแสงสว่างนำทางแก่ชีวิตของตนไม่ได้มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นนอกจากความไม่เชื่อของเราเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าเราไม่เชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำพาให้เราไปสู่ที่สุขที่เจริญนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธเราก็จะไม่มีแสงสว่างนำทางให้แก่ชีวิตของเรา แต่ถ้าเราเชื่อแล้วด้านน้อมนำเข้ามาด้วยการปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าแสงสว่างแห่งธรรมนี้จะปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับการเวลาแต่อย่างใดไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เสื่อมไปตามเวลาของต่างๆที่เราซื้อมา พวกอาหารพวกยาจะมีฉลากกำกับไว้เสมอว่าหมดอายุในวันนั้นในวันนี้ถ้าหลังจากวันนั้นวันนี้ไปแล้วยาหรืออาหารนี้จะไม่เป็นประโยชน์แต่กับจะเป็นโทษกับผู้บริโภคได้แต่พระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้เป็นเหมือนกับอาหารและยาที่ต้องสืมไปตามเวลาแต่อย่างใดเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโก mm hmm. คือไม่ขึ้นกับการกับเวลานั่นเองมีคนมีประโยชน์มีมีฤทธิม์มีเดชมี <c oughs> ความสามารถในการกบจัดความทุกข์ต่างๆ ได้ในสมัยพระพุทธการอย่างไรก็ยังสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้และในอนาคตที่จะตามต่อมาได้ไม่ได้อยู่ที่การที่เวลาแต่อยู่ที่พวกเราเท่านั้นที่จะน้อมนาเข้ามาปฏิบัติให้ถูกต้องได้หรือไม่เท่านั้นเอง เรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติตรงยายะปฏิปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกสามีจิปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือเงื่อนไขหรือเหตุผลที่จะทำให้แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐเลิศโลกนี้ เข้ามาสู่ใจของเราเข้ามาเป็นผู้นำทางพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายได้อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยแต่อย่างใดไม่ควรที่จะปฏิเสธคำสอน ของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นเหมือนกับคนตาดีส่วนพวกเราเป็นเหมือนกับคนตาบอดถ้าคนตาบอดไปปฏิเสธคนตาดีแล้วแล้วจะไปอาศัยใครนำทางได้ถ้าอาศัยตนเองนำทางก็จะไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงควรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเชื่อพระอริยสงฆส์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ไปก่อนการเชื่อแบบนี้ไม่ได้เชื่อแบบมงมงายเพราะการเชื่อในทางพระพุทธศาสนานี้เชื่อเพื่อ น, นาเอาไปพิสูจน์ ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้นั้นจริงหรือไม่อย่างไรไม่ได้ให้เชื่อแบบเฉยๆแล้วก็ไม่ได้นำเอาไปพิสูจน์เพราะอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรเหมือนกับหมอที่ให้ยาเรามารับประทานถ้าเราเชื่อหมอเราก็นำยานั้นมาทดลองรับประทานดูดูว่ายานี้จะสามารถ รักษาโรคที่เรากำลังเป็นอยู่นี้ให้หายไปได้หรือไม่ถ้าเรารับยามาแล้วเชื่อหมอรับมาแล้วแต่ไม่รับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้มีประสิทธภาพอย่างไรสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ให้หายไปได้หรือไม่ นี่คือความหมายของความศรัท ธ, ธาคือความเชื่อที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่การพิสูจน์เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเกิดจากการทำบาป ท, ทำกรรมสวรรค์เกิดจากการทำบุญเราก็ต้องนำออามาพิสูจน์กับเราให้รู้แก่ใจของเราเลยว่า สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าสวรรค์และนรกนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่อย่างที่เรามักจะเข้าใจกันนี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่มีสถานที่ที่เรียกว่านารกหรือสวรรค์อยู่ในจักรวาล น, นี้ นักวิทยาศาสตร์เขาส่งจรวดขึ้นไปค้นคว้าหาดูแล้วก็เจอแต่ดวงดาวต่างๆเท่านั้นไม่ได้มีนรกหรือสวรรค์อยู่ในจักรวาล น, นี้นรกและสวรรค์นี้อยู่ในใจของสัตว์โลกทุกๆตัวทุกๆคนอย่างพวกเรานี้เรามีนรกและมีสวรรค์อยู่ในใจของเรา เวลาที่เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังอยู่ในนรกแล้วในเวลาใดที่เรามีความสุขมีความสบายใจในเวลานั้นเรามีสวรรค์แล้วอยู่ในใจแต่ในใจของเรานี้ก็มีทั้งนรกเทียม นรกแท้สวรรค์เทียมและสวรรค์แท้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นนรกแท้อะไรเป็นนรกเทียมอะไรเป็นสวรรค์แท้อะไรเป็นสวนรรค์เทียมจะยกตัวอย่างให้สวรรค์แท้ก็คือเวลาที่เราทำความดีเช่นวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเสียสละทรัพย์เข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องลำบากบ้างต้องตื่นแต่เช้าต้องเดินทางมาต้องต่อสู้กับความตนันหนีกับความหวงของเราซึ่งเปรียบเหมือนนรกคือความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ในใจของเราแต่นรกนี้เราไม่ถือว่าเป็นนรกจริงเป็นนรกเทียงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อย่างยืนยาวนานนั่นเอง พอเราสามารถชนะความตนีชนะความโหยหวนแหนชนะความเกียดคร้านความเห็นแก่ตัวแล้วเดินทางมาวัดเพื่อมานำเอากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานต่างๆนี้มาให้กับผู้อื่นเช่นพระภิกษุสามนเณรแล้วใจของเราก็เกิดความสุขความสบายใจขึ้นมา นี่เรียกว่าเป็นสวรรค์แท้และนรกเถียมคือเราต้องต่อสู้กับกิเลสก่อนก่อนที่เราจะสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้กิเลสนี้จะเป็นตัวที่จะคอยขัดขวางให้เราได้พบกับสวรรค์การทำความดีการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาจะต้องปีนป่ายจะต้องใช้กำลัง จะต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะได้พบพระนิพพานก็ต้องผ่านนรกอย่างแสนสาหัสต้องบำเพ็ญทุกกรณีต้องบำเพ็ญเพียรต้องอดอาหารถึง49วันทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกว่าที่จะได้หลุดพ้นจากอ้วงมื อ้วงมือของมานของกิเลสไปได้ต้องผ่านนรกเทียมนี้ไปก่อนอย่างแสนสาหัสแล้วถึงจะได้พบกับสวรรค์ที่แท้จริงคือพระนิพพานนี่เองฉันใดพวกเราก็เป็นอย่างนี้เราต้องผ่านนรกเทียมซะก่อนถึงจะได้เจอสวรรค์แท้และในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปในทางของกิเลส เราเอาเงินที่เราจะมาทําบุญให้ฐานนี้ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟืยเพื่อมาบําบุนบําเลอกิเลสตัณหาความอยากของเราทาั้งๆที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเลยแต่เราอยากจะไปเพราะกิเลสสั่งให้เราไป เวลาเราไปเราก็มีความสุขก็เป็นเหมือนสวรรค์แต่มันเป็นเหมือนสวรรค์แต่เป็นสวรรค์เทียมเพราะมันเป็นความสุขชั่วในขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสได้ซื้อของมาก็ดีอกดีใจได้ไปเที่ยวก็มีความสุขแต่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็กลับมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเวลาเรากลับมาอยู่ที่บ้านอยู่เฉ ย, เฉย เราก็เริ่มมีอารมณ์หนุดหิดมีความลำคาญใจขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะออกไปเที่ยวอีกออกไปใช้เงินอีกถ้าเราไม่มีเงินทีนี้เราก็จะได้เจอกับนรกแล้วเพราะใจของเราจะเริ่มเกิดความวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เฉยๆไม่ได้หนุดหิตลำคานใจมีความรู้สึกว่าเหวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวนั่นแหละก็เป็นนรกที่แท้จริง ของเราแล้วที่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำที่ที่เป็นโทษกับเราเช่นไปยุ่งเกี่ยวกับการเที่ยวเล่กับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือกับการกระทำบาปทากันเช่นเราไปช่อกโกะไปหาเงินมาโดวยวิธีไม่ชอบไปลักไปขโมยหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เวลาที่เราทำเราจะมีความรู้สึกดีอกดีใจที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้เราอยากมีเงินเราก็ไปช่อกโกงไปขโมยเงินของผู้อื่นมาแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มมีความทุกข์ความวิตกความกังวลความหวาดกลัวปรากฏตามมาอยู่ในใจของเรานี่เป็นนรกที่แท้จริงแล้วเราได้สวรรค์ที่เป็นสวรรค์เทียมเพียงเชื่อขณะ ที่เราได้สิ่งที่เราต้องการมาหรือได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมาแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องไปเจอกับนรกที่แท้จริงที่จะเผาใจของเราไปเป็นเวลาอันยาวนานอยู่อย่างนี้นี่แหละคือเรื่องของนรกและของสวรรค์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราและเกิดจากการกระทำของเรา ทั้งในปัจจุบันและในอดีตกรรมของเราที่เราทำไว้ในอดีตมันก็ส่งผลขึ้นมาได้เช่นในขณะที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันร้ายนี่แสดงว่าเป็นวิบากกรรมของบาปของกรรมที่เราได้ทำมาถ้าเราฝันดีก็เป็นผลของบุญที่เราได้ทำมาในอดีต คนที่ทําบุญ น, นั้นจึงมักจะนอนหลับฝันดีดังที่พระพุทธเจ้าสมบัตไว้ในอนิสงค์ของความเมตตาว่าผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆแล้วนอนเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเวลาหลับก็ไม่ฝันร้ายมีแต่ฝันดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะคนที่ทําความดีนั้น ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเราตัวเราเองก็จะชอบคนที่ทำความดีกับเราเราจะไม่คิดร้ายกับคนที่เขาทำความดีกับเราเราจะคิดร้ายแต่กับคนที่เขาทำร้ายเราดังนั้นถ้าเราทำแต่ความดีแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นี่แลคือสวรรค์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่อไปจนกว่าบุญที่เราได้ทานั้นมันหมดไปเมื่อหมดแล้วเราก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีกว่าก่อนที่เรา เป็นอยู่อย่างในขณะนี้ชาติหน้าหลังจากที่เราได้กลับมาจากสวรรค์แล้วเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีผิวพรรณที่ผ่องใสกว่าเดิมมีฐานะการเงินที่ดีกว่าเดิมมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าเดิมเพราะ เราได้สร้างเหตุที่ดีไว้ให้กับเรานั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําบาปทํากรรมเอาไว้เวลาเราตายไปเราก็ต้องไปตกนรกไปเกิดในอบายไปอยู่ในนรกบ้างออกมาเป็นเปรตแล้วก็กลับมาเป็นเปรตแล้วกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานกว่าจะหมดกรรมแล้ว ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครั้งนี้ก็จะไม่ดีกว่าเก่าแต่กลับจะเลวกว่าเก่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่เลวกว่าเก่าผิวพรรณไม่ผ่องใสเหมือนเมื่อก่อนฐานะการเงินการทองก็ไม่ดีกว่าเมื่อก่อนนี้สติปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะมีน้อยถอยลงไป สุขภาพร่างกายก็จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรคภัยเบียดเดียนและมีอาการไม่ครบ32สองนี่คือลักษณะของผู้ที่กลับมาเกิดหลังจากที่ได้ไปใช้ใช้กรรมในอบายแล้วต่างกับคนที่มาเกิดจากสวรรค์หลังจากที่ได้ไปรับผลบุญของ บุญที่ตนเองได้ทาในสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดก็จะดีกว่าเดิมนี่เป็นความจริงนี่เป็นัตสตจธรรมเป็นสิ่งทีพ่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกที่ยังอยู่ในความมืดบอดที่ไม่รู้ว่าหลังจากที่ตนตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่อีก พ่อมองไม่เห็นตัวที่จะไปเกิดนั่นเองตัวที่จะไปเกิดใหม่นี้ไม่ใช่ร่างกายแต่ใจใจที่รู้อยู่ขณะนี้นี่แหละไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ฟังร่างกายเป็นเพียงสื่อเป็นเหมือนผู้รับเสียงเข้าไปในหูแล้วส่งต่อไปที่ใจคือผู้รู้ ถ้าร่างกายไม่มีใจอยู่กับร่างกายแล้วร่างกายจะไม่รู้อะไรเลยเช่นคนตายนี้ไม่มีใจอยู่กับร่างกายแล้วเวลาเราไปคุยกับคนตายแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเพราะผู้ที่รู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วนั่นเองฉันใดคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้จะมีทั้งสองส่วน คือมีทั้งร่างกายและมีใจผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายอันนี้ไม่ได้ไปร่างกายอันนี้มีแต่จะไปที่เมนไปที่ป่าช้าเท่านั้นเองแต่ใจนี้ต่างหากที่จะไปรับผลของบุญของกรรมที่ใจได้ทำไว้ ในชาตินี้และในชาติก่อนๆที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้แต่พวกเรามองไม่เห็นใจกันทั้งๆ ท, ที่เรานี่แหละคือใจทั้งๆนี่แหละเราเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆแต่ความหลงทำให้เราไปคิดว่าใจนี้คือร่างกายร่างกายนี้คือใจร่างกายนี้เป็นผู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง พอร่างกายนี้เป็นอะไรขึ้นมาใจก็เกิดความตกใจเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีแสงสว่างมาแสดงให้เห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันนั่นเองนี่แหละคือเรื่องที่เป็นปัญหากับพวกเราอยู่ในทุกภพทุกชาติก็อยู่ที่ตรงนี้เอง อยู่ตรงที่เรามองไม่เห็นใจของเราเองทุกครั้งที่เราไปเกิดเป็นอะไรเราก็จะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นสุนัขเราก็คิดว่าเราเป็นสุนัขเราไปเกิดเป็นนกเราก็คิดว่าเราเป็นนกแต่ความจริงแล้วสุนัขก็ดีนกก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีนี้เป็นเพียงตุ๊กตาที่เราได้รับมาเป็นรางวัล ที่เกิดจากการทำความดีทำความชั่วของเราเท่านั้นเองถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็จะได้ตุ๊กตาสุนัขได้ตุ๊กตาแมวมาเป็นสมบัติถ้าเราทำบุญทำกุศลเราก็จะได้ตุ๊กตามนุษย์มาเป็นสมบัติของเราและอยู่กับมันไปจนถึงอายุไขของมันเพราะทุกสิ่งตุ๊กตาทุกตัวที่เราได้มา ไม่ว่าจะเป็นสุนัข ก, กด็ดีหรือเป็นมนุษย์กด็ดีก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีอายุขมันอยู่ไปไม่ตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแก่ตายไปนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้รู้ไว้เพื่อเราจะได้ไม่หลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรา เมื่อเราไม่ยึดติดแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจเพราะเรารู้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดกันหรือคนห่างไกลกันเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทีดาเพื่อนฝูงหรือคนที่เราไม่รู้จักก็เป็นเทียงตุ๊กตาเท่านั้นเองที่จะต้องเสื่อมไปหมดไปในที่สุด ถ้าเราน้อมเอาสิ่งเหล่า น, นี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติมาสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆแล้วชีวิตของเราจะนำเนินไปสู่ความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความกังวลใจความหวาดกลัวไปเรื่อยๆจนจนไม่มีความทุกข์ความหวาดกลัว ความวุ่นวายใจหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยอยู่ที่การน้อมนํำาำมารมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติให้ปรากฏเป็นแสงสว่างเพื่อลบล้างความมืดบอดที่ทําให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกเบี้วเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราถ้าเรามีแสงสว่างแล้วเราก็จะปล่อยวางเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปเพราะเรามีความสุขมากกว่ามีอะไรนั่นเองการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะมีอะไรแล้วจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติเงินทองอย่างที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้ถ้าเราน้อมเอาแสงสว่าง แห่งธรที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้เรานี้เอาเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะหมดทุกไปในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาหาแสงสวา่างนำทางแก่ชีวิตนี้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 แห้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ